จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรรมาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13ในสาษยนพุทธศักราชสอง8ห้าร้อยห้าสิบแเป็นวันสงกรานต์คือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยยึงเป็นโอกาสอันดี ที่ญาติโยงผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในบุญในกุศลได้มาวัดเพื่อได้มาทำบุญทำบุญแล้วก็มุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะสิ่งที่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสามารถรับได้ก็คือ บุญกุศล ส, สิ่งอย่างอื่นไม่สามารถส่งไปได้เช่นกับข้าวกับปลาอาหารของข่าวของหวานอย่างที่เขาเอาไปไหว้ตามหลุมฝังศพคนตายนั้นไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารแบบคนเป็นได้แล้วแต่คนตายนี้ต้องรับประทานอาหารทิพย อาหารทิพย์ก็คือบุญที่พวกเราได้มากระทำกันในวันนี้เวลาเราทำบุญแล้วใจของเราก็จะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจความอิ่มเอิบใจความสุขใจนี้ก็เกิดจากการได้รับอาหารทิพย์คือบุญนั่นเองใจก็เป็นร่างทิพย์ใจไม่ได้เป็นร่างกาย เวลาร่างกายหิวเราไม่ทำบุญกันเวลาร่างกายหิวเราไปหาอาหารกินตามร้านอาหารกันแต่เวลาใจหิวเราต้องให้อาหารกับใจอาหารกับใจก็คือบุญกุศลนั่นเองเวลาใดที่เรามีความหิวมีความอยากแทนที่เราจะให้บุญให้อาหารกับใจ เรากลับไปให้อาหารกับร่างกายที่ไม่ต้องการอาหารพอร่างกายได้รับอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายแล้วร่างกายของคนที่มีน้ําหนักมากๆก็แสดงว่าไม่ได้ให้อาหารถูกที่เวลาใจมีความอยากก็แทนที่จะไปทําบุญกันกลับไปรับประทานอาหารกัน ใจก็เลยไม่ได้รับอาหารสิ่งที่ได้รับก็คือร่างกายทุกครั้งเวลาอยากจะได้อะไรก็ไปรับประทานอาหารร่างกายก็เลยต้องแบกภาระของอาหารที่มากเกินความจาเป็นมากเกินความต้องการของร่างกายนั่นเองถ้าเวลาใดที่เรามีความอยากมีความหิว เราควรที่จะมาทำบุญกันเพราะการทำบุญจะให้เกิดความอิ่มเอิกใจเกิดความสุขใจแล้วความอยากก็จะหายไปเช่นเวลาอยากรับประทานอาหารที่ไม่ถึงเวลาที่จะต้องรับประทานก็อยากไปรับประทานเอาเงินที่จะไปซื้ออาหารนี้มาทำบุญ หรือไปซื้ออาหารแล้วก็เอามาใส่บาตรหรือทำทานแก่ผู้ที่ยากร้อยก็ได้พอเราได้ทำแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีอาหารทิพย์แล้วเวลาเราแบ่งเรานึกถึงญาติพี่น้องที่ได้ตายจากพวกเราไปแล้วอยากให้เขาได้ ความสุขได้ความอิ่มใจเหมือนกับเราเราก็สามารถอุทิศบุญกุศลที่เราได้ทำไปถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับอาหารทิพย์ได้รับบุญไปเขาก็จะได้ความอิ่มใจความสุขใจสาเหตุที่ผู้ที่ร่วงรับไปแนละ้วจะ มาคอยรับส่วนบุญก็เพราะว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับการทำบุญนั่นเองมัวแต่ไปดูแลเรื่องของร่างกายหาอาหารมาให้ร่างกายรับประทานหาเสื้อผ้ามากเกินความจำเป็นเอาแทนที่จะเอาเงินเอาทองไปซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้า ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนกับซื้อเสื้อผ้าให้ตนเองใส่ทั้งๆ ท, ท, ที่มีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้อยู่หล่นตู้นั่นก็เพราะว่ามีความอยากซื้อเสื้อผ้าถ้าเรามีความอยากซื้อของที่ไม่จําเป็นแทนที่เราจะได้ความพอใจได้ความอิ่มใจเรากลับ ได้ความหิวความอยากเพิ่มขึ้นพอเราซื้อของวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะซื้อใหม่ซื้อมาได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เกิดความอิ่มใจเกิดความพอใจเวลาตายไปใจที่ยังไม่ได้รับบุญรับกุศลก็เลยต้องไปขอบุญจากผู้อื่นไม่สามารถ อยู่อย่างมีความสุขได้เหมือนกับคนที่ได้ทำบุญอย่างสม่ำเสมอพอเวลาตายไปก็จะมีบุญติดตัวไปบุญนี้ก็เป็นเหมือนทรัพย์เหมือนเงินทองพอมีเงินมีทองก็สามารถจับจ่ายซื้อสิ่งต่างๆในโลกทิพย์ได้ก็จะอยู่แบบเศรษฐี อยู่แบบคนร่ำคนรวยแต่คนที่ไม่มีบุญติดตัวไปก็ต้องอยู่แบบขอทานนี่แหละคือธรรมเนียมที่ชาวไทยบทรรพบริบบต์ของพวกเราได้กระทำกันมาเพื่อที่จะได้สอนพวกเราที่ยังไม่รู้เรื่องของบุญของกุศลไม่รู้เรื่องของ การจากโลกนี้ไปของพวกเราพวกเราอย่าไปคิดว่าเวลาร่างกายของพวกเราตายไปแล้วเราก็จะจบลงตรงนั้นความจริงเราไม่ได้ไปจบกับร่างกายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นร่างทิพย์ร่างทิพย์คือใจร่างทิพย์นี้ไม่ได้จบไปกับร่างกายร่างทิพย์นี้แหละ ที่จะต้องออกเดินทางเพื่อไปหาร่างกายอันใหม่ระหว่างเวลาที่เดินทางไปถ้ามีบุญติดตัวไปก็จะไปแบบนักท่องเที่ยวที่มีเงินทองติดตัวไปถ้าไม่มีไม่มีบุญติดตัวไปก็จะไปแบบขอทานต้องเดินไปแล้วก็ไปขอทานตามสถานที่ต่างๆ จนกว่าจะได้ไปเกิดจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่บรบรพบรรบรุษของพวกเรานายมีความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและในพระอาา ร, รรลันตัสาวกของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราหมั่นทำบุญกันสอนให้พวกเราอย่าทำบาป ก, กัน เพราะว่าการกระทำทั้งสองอย่างนี้จะมีผลกระทบต่อใจของพวกเราที่เป็นร่างทิพย์ที่จะต้องออกจากร่างกายนี้ไปในอนาคตถ้าเราทำบาปบาปนี้จะดึงร่างทิพย์ของเราให้ไปสู่อบายอบายก็คือที่ตั้งของเดรลฉานของเปรนของอสุรกาย และของสับนรกก่อนที่จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่ก่อนที่จะกลับมาเกิดใหม่ก็จะถูกบาปชุดลากให้ไปเกิดเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขบ้างหรือไปเป็นเปรตเป็นขอทานทางจิตวิญญาณหรือไปเป็นผีเป็นมัศุรกายที่มีแต่ความหวาดกลัวหรือไปตกนรก ที่มีแต่ความรุ่มร้อนภายในจิตในใจนี่คือผลที่จะเกิดจากการกระทำบาปบาปคืออะไรบาปก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดและการเสพสุรายาเมานี่คือสิ่งที่จะทำให้จิตใจต้องไปเกิดในอบาย ถ้าไม่ทำบาปได้ถ้าละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการรักษ์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการเสพสุรายาเมาได้ mm. เวลาตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย mm. และการรักษาศีล mm. คือการละ ก, การกระทาบาปนี้ ความจริงมันง่ายกว่าการกระทำบาปต้องเยอะแยะแต่พวกเรากับไม่รู้กันนะการทำบาปนี้กับการไม่ทำบาปนี้อันไหนจะยากกว่ากันเวลาจะไปฆ่าคนกับเวลาไม่ไปฆ่าคนนี้อันไหนจะง่ายกว่ากันฆ่าคนนี้ลำบากต้องไปหาอาวุธหรือต้องไปหาเงินไปจ้างคนให้ไปฆ่า ไม่มีเงินก็จ้างเขาไม่ได้ไม่มีอาวุธก็ฆ่าเขาไม่ได้ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปคิดว่าการไม่ทำบาสนี้เป็นของยากควางจริงง่ายกว่าการกระทาบาสนี่เช่นตอนนี้ญาติโยมนั่งอยู่ตรงนี้ญาติโยมก็ไม่ได้ทำบาปแล้วไม่ได้ฆ่าไม่ได้ลักทรัพไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้โกหกไม่ได้เสพสุรายามา ขอให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านั้นเองแล้วจะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายก่อนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทำนี้ไม่ได้เป็นของยากเลยเราถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่ายากการไม่ฆ่ากับการฆ่าอันไหนยากกว่ากาันการลักทรัพย์กับการไม่รักทรัพย์ อันไหนยากกว่ากันการไม่ลักทรัพย์ก็นั่งอยู่เฉยๆก็ไม่ต้องไปลักทรัพย์สบายถ้าจะลักทรัพย์ก็ต้องไปหาดูว่าทรัพย์มีอยู่ที่ไหนบ้างแล้วจะต้องคอยจ้องคอยดูโอกาสเวลาที่เจ้าของเขาไม่อยู่บ้านหรือเขาเผลอเราถึงจะเข้าไปลักทรัพย์ของเขาได้ mm hmm. การกระทาสิ่งที่ง่าย พวกเรากลับไม่ชอบทำกันชอบทำสิ่งที่ยากแล้วก็มีมีโทษกับเราทำสิ่งที่ง่ายที่ไม่มีโทษกับไม่ชอบทํากันการประพฤติผิดประเวณีกับการไม่ประพฤติผิดประเวณีอันไหนง่ายกว่าการยากกว่ากันจะประพฤติผิดประเวณีก็ต้องไปหาหาคนนั้นคนนี้ไปเป็นแฟนมนาะร่วมหลับนอน แล้วต้องคอยหลบบซ่อนๆอนอนสามีหรือภรรยาของตนเพราะไม่อยากจะให้เขารู้ว่าเราไปประพฤติผิดประเวณีเพราะว่าถ้าเขารู้เข้าเขาก็จะโกรธเราเกลียดเราขึ้นมาดังนั้นขอให้เราทำสิ่งที่ง่ายอย่าไปทำสิ่งที่ยากสิ่งที่ง่ายนี้ไม่มีโทษสิ่งที่ยากมีโทษ เช่นเดียวกับการพูดปดกับการไม่พูดปดอันไหนจะง่ายกว่ากันการไม่พูดปดกับการพูดปดการพูดปลดนี้ต้องคิดต้องหาหาวิธีพูดแต่การไม่พูดปลดนี้ก็ปุบปากไว้เฉยๆเท่านั้นเองไม่ต้องพูดอะไรเวลาใครเขาถามอะไรถ้าเราตอบความจริงไม่ได้เราก็อย่าพูดอะไรเท่านั้นเอง ง่ายกว่าต้องมาคิดว่าจะพูดอย่างไรดีจะโกหกเขาอย่างไรดีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำ<ม>เป็นสิ่งที่ง่ายอย่าไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากการดื่มสุรากับการไม่ดื่มสุราอันไหนง่ายกว่ากันอันไหนยากกว่ากันการดื่มสุราก็ต้องไปหาซื้ซอสุรามาดื่มแล้วถ้าไม่เคยดื่มมาก่อน เวลาดื่มเข้าไปก็ดื่มไม่ลงเพราะรสมันขมมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลแต่ก็ยังฝืนบังคับใจตัวเองเดื่มให้ได้พอดื่มแล้วมันก็ชิมแล้วมันก็ติดนี่แหละเที่วพวกเราชอบไปทําของที่ยากแล้วก็เป็นของที่มีโทษส่วนของที่ง่ายกลับไม่ชอบทํากันเช่นเดียวกับการทาบุญ ก็เป็นของที่ง่ายกว่าการไม่ทำบุญการหาเงินกับการให้เงินนี้อันไหนจะง่ายกว่ากันกว่าเราจะหาเงินมาได้สักบาทสองบาทนี้ต้องเหนื่อยแทบเป็นแทบตายเวลาให้เงินนี่ง่ายเหลือเกินให้ได้อย่างรวดเร็วแต่การให้ของเรามันเป็นการให้ที่ไม่ถูกเท่านั้นเอ ง, เองการให้ที่ถูกต้องให้ทาน อย่าไปให้ตัวเราเช่นะไปซื้อข้าวซื้อของมาให้เรานี่อย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นประโยชน์กับใจเพราะไม่เป็นบุญไม่เป็นอาหารทิพย์ถ้าอยากจะได้ประโยชน์กับใจต้องให้ผู้อื่นมีเงินมีทองอย่างวันนี้ญาติโยม ก, ก็เอาเงินทองนี้ไปซื้อข้าวซื้อของซื้อข้าวซื้อของมาแล้วแล้วก็เอามาถวายพระ แล้วก็ยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งบริจาคให้กับวัดไว้สําหรับทำนุชทำนุชบารุงดูแลรักษาวัดให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยนี่ก็เป็นวิธีให้ที่ถูกต้องต้องให้ผู้อื่นอย่าให้ตัวเราถ้าจะให้ตัวเราก็ให้สิ่งที่จําเป็นเท่านั้นก็พอเช่นสิ่งที่จําเป็นก็คืออาหาร วันละสองสามมือก็พอเสื้อผ้ามีสักสามสี่ชุดก็พอที่อยู่อาศัยพอมีหลบแดดหลบฝนได้ก็พ อ, อยารักษาโรคก็มีตามความจำเป็นไม่ต้องมีมากมายก่ายกองจนกระทั่งใช้ไม่หมดใช้ไม่ได้เสียเงินเสียทองเสียเวลาไปปป่าๆเพราะเวลาตายไป จะไม่มีอะไรติดม้าติดมือไปนั่นเองถ้าเราใช้เงินทองอย่างประหยัดสำหรับตัวเราเราจะมีเงินทองเหลือไว้สำหรับมาทำบุญกันเมื่อเราได้มีได้ทาบุญอยู่เรื่อยๆเวลาเราตายไปเราก็จะไปสู่สุคติแนะทนที่จะไปอาบายเราก็จะไปสวรรค์กัน สวรรค์ก็คือร่างทิพย์ที่มีความสุขใจนั่นเองร่างทิพย์ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างทิพย์ต้องการมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่นี่คือสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันเราจึงมองข้ามกันไปเราคิดว่าเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จบ ทำบุญไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสู้เอามาใช้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ดีกว่าแต่เราเราทาไมต้องมาทำบุญกวดน้ำกันทาไมก็เพราะว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่ใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเองใจของเรายังต้องไปเกิดใหม่อีกดังนั้นขอให้พวกเราจงเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อบรรพพะบรรุษ ที่ได้พาสอนให้พวกเราได้มาทาบุญกันขอให้ทมกันบ่อยๆทำเหมือนกับการรับประทานอาหารเรารับประทานอาหารทุกวันได้เราควรจะทำบุญทุกวันได้เพราะการทำบุญนี้ไม่จำเป็นว่าต้องทำทีละมากๆทำตามกำลังของเราเหมือนกับการซื้ออาหารมารับประทาน ไม่จำเป็นจะต้องไปรับประทานอาหารตามโรงแรงตามพัตาคารที่ต้องเสียเงินทองมากว่าเราก็ซื้ออาหารกินตามกำลังของเรายกเว้นในวันสำคัญสคัญวันเกิดหรือวันอะไรเราค่อยไปฉลองกันทีไปกินแบบแพงๆกันสักครั้งหนึ่งเหมือนกับการมาทำบุญของญาติโยมนี้ญาติโยมก็จะมาทาบุญเฉพาะวันสาคัญสาคัญ เช่นวันนี้วันสงกรานต์ <c oughs> ก็เลยมาทำบุญกันแต่วันธรรมดากับไม่ได้ทำกันบุญเลยไม่มีพอเพียงเวลาไปจากโลกนี้ก็จะต้องไปเป็นขอทานถ้าไม่อยากจะเป็นขอทานขอให้เราพยายามหมั่นทำบุญกันอยู่เรื่อยๆทำบุญทุกวันวันละเล็กวันละน้อยมีมากมีน้อยทำไปตามกำลังของเรา วิธีทำบุญก็ทำได้หลายวิธีจะให้ไข่ก็ได้ให้ขอทานก็ได้ให้คนตกทุกข์ได้ยากก็ได้ให้ยากสนิทพิษสาหายก็ได้ให้พี่ให้น้องให้บิดามารดาก็ได้หรือถ้าอยากจะให้พระแต่มาวัดไม่ได้ก็เอาเงินใส่กระปุกไว้ก่อนเอาเงินทำบุญใส่กระปุกไว้เรื่อยๆพอถึงเวลาจะมาวัดมาทำบุญ ก็เอาเงินนั้นมาทำบุญได้เราก็จะได้ได้ทำบุญทุกวันการทำบุญทุกวันนี่มีประโยชน์มากเพราะจะทำให้เราติดนิดสัยชอบทำบุญถ้าเรานานๆานทำบุญทีเราจะไม่ค่อยอยากจะทำบุญกันเพราะนานๆานจะทำสักครั้งหนึ่งถ้าทำทุกวันแล้วเราจะอยากทำทุกวันเพราะเวลไหนที่เราไม่ได้ทำ เราจะรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปเราขาดขาดความอิ่มใจขาดความสุขใจไปเหมือนกับการรับประทานอาหารที่เราต้องรับประทานทุกวันเพราะอะไรเพราะวันวันไหนเราไม่ได้รับประทานอาหารนี่เราจะรู้สึกลำบากขึ้นมาทันทีมีความหิวโหยขึ้นมาทันทีนี่แหละคือเรื่องของการทำบุญเราต้องทำทุกวัน การละบาปก็ต้องละทุกวันไม่ใช่มาละเฉพาะวันพระเท่านั้นอย่างนี้มันไม่พอทำบาปหกวันแล้วมาหยุดทำหนึ่งวันเวลาตายไปนี้บัญชีบาปมันจะมีมากบัญชีบาปมีมากกว่าบัญชีบุญบาปก็จะดึงใจให้ไปอบายแต่ถ้าบัญชีบุญมีมากกว่าบัญชีบาป บุญก็จะดึงให้เราไปเกิดเป็นเทวดาให้เราได้ไปเกิดในสวรรค์ก่อนที่เราจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่การกลับมาเกิดใหม่ก็ใช่ว่าจะเป็นของดีพอะกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเจอความแก่มาเจอความเจ็บมาเจอความตายถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชําระวิธีชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องออกบวชหรืออย่างน้อยก็ต้องถือศีลของนักบวชแล้วก็ต้องหัดนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็ต้องศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราสามารถ ปฏิบัติอย่างนี้ได้เราจะสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ชำระความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวหนึ่งให้เราต้องมากลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายถ้าเราไม่ชำระใจเราก็จะต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดและนานๆ ที่พวกเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้ามาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งถ้าเราไม่ได้พบเราจะไม่รู้วิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ชาตินี้เป็นชาติวิเศษเป็นชาติที่เราถือว่าเป็นโชคอย่างมากที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ขอให้เราหมั่นชำระใจของเราอยู่เรื่อยๆด้วยการนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปแล้วก็ออกจากสมาธิมาก็มาสอนใจมาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระตจ้า ที่สอนให้พวกเรามองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราสักวันหนึ่งของต่างๆที่เป็นของเราก็จะต้องจากกันไปจากเราไปเวลาเราตายไปเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยถ้าเรารู้เรื่องน้าเราก็จะได้ไม่ยึดไม่ติด ไม่อยากให้เอาไปกับเราพอเราตายไปเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่อยากได้จะไม่อยากมีจะไม่อยากเป็นจะไม่ยึดไม่ติดเมื่อไม่ยึดไม่ติดตายไปก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอน ให้พวกเรามาทำกันเพราะจะเป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างแท้จริงสิ่งอย่างอื่นเช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายนี้เป็นประโยชน์ชั่วคราวเป็นประโยชน์ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แต่หลังจากที่เราตายไปแล้วเราเอาติดตัวไปไม่ได้เราก็จะไปเป็นขอทานในโลกที่ ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าหมั่นทําบุญหมันละบาปหมั่นชำระใจให้สะอาดเวลาตายไปเราก็จะไปสวรรค์น่าไปนิพพานในที่สุดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราควรพยายามทํากันอย่างที่เรามาทํากันในวันนี้ขอให้ทํามากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทํางานนี้ สำเร็จเมื่อเราทำสำเร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาบุญทำบุญในวันสงการนี้ขอให้ท่านพยายามทำบุญละบากจํำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ว